วันี่เป็นวันอาทิตย์ที่หนึ่งเดือนมิถุนายนตรงกับวันแม ร, รมสิบคำเดือนหกคนไทยทุทกคนแล้วก็ไม่เฉพาะแต่คนไทยแล้วก็ทุกชาติทุกภาษ า, ท, าทุกเทศทุกวัยมีจิตใจคล้ายๆกันไม่เิดกันเขาเกหมือนกันคำว่าคล้ายๆกันเหมือนกันนั้นหมายถึง อาจจะเข้าใจไม่ตรงกันคำว่าใล้ายคล้กันเหมือนกันคือทุกคนต้องเกลียดทุกข์รักสุขทําไมเราเกลียดทุกข์รักสุขเข้าใจว่าคนามสุขนั่นนะ่ะมันเป็นหน้าที่ทุกคนจะควรได้แต่ทุกนี้ทุกคนไม่ต้องการแต่ก็จําเป็นเมื่อมีสุขและทุกข์ก็ต้องตามันทีเมื่อมีทุก ุก็ต้องตา ม, มาตน่งความทุกข์เราเรียกว่าทุกภาษาเป็นบ้านอาษาธรรมะเรียกว่าโลกคำพูดมันไม่เหมือนกันคำว่าโลกนี้มันก็จะเป็นทุกเป็นโรคอะไรโรคเจ็บหัวโรคปวดท้องหรือเป็นโรคอหิวาต์โรคอะไรก็ตามต้องไปหามหมอที่โรงพยาบาลเ ร, าเรียกว่าโลกคนใดมีโรคเป็นทุกข์ทั้งนั้น แต่พวกเราก็เรียว่าทุกข์คำว่าโลกนี่ก็หมายถึง จ, จิตใจแต่โลกร่างกายทางเนื้อหนังนี้เราจะไปว่ฟาฟังคนอื่นด้วยรักษาเราได้อย่างที่หมอโรงพยาบาลสามารถที่จะรักษาโรคต่างๆได้แต่ความทุกประเภทที่หมอรักษาไม่ได้ก็มีเหม น, นตัวหมอเองก็ต้องตายด้วยโลคเช่นเดียว โลกประเภทที่รักษาไม่ได้อย่างคือโรคางใจโรคทางวิต ญ, ญาณดังนั้นพวกเราเป็นคนไทยฟังคำพูดของคนไทยบางคนก็ยังไม่เข้าใจบางคนก็เข้าใจอย่างที่หลวงพ่อพูดนี่ถ้าหลวงพ่อพูดเป็นภาษาเมืองเลยแล้วคนทางภกกาคกลางภาคเหนือภาคใต้ ฟังไม่รู้รู้เฉพาะคนพางอีสานคนพังอิสานสาบางคนก็ไม่รู้คือมันเป็นภาษาท้องถิ่นเราก็พอรู้กันได้ดังนั้นเราเป็นคนไทยศึกษาหลักพระพุทธศาสนาสพราะว่าพระพุทธศาสนาเนี่ยหมายถึงอะไรเนี่ยเราไม่เข้าใจแต่คนอื่นอาจจะเข้าใจรวมข้อไม่เข้าใจแต่ก่อนเมราะวศาสนากับพุทธศาสนาเ น, นี่ยศาสนานี่คือสอนเรื่อง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 ทั้งหลายเหมือนเราจะถากพดคันว่าคือกัน น, นก็มีแขนขาหน้าตามือเท้าเหมือนกันคือกันเป็นผู้หญิงผู้ชายมีคือกันแต่ดีใจเสียใจพอมีคือกันนี่เหมือนกันอันนั้นเขาเรียกคนหรือปุถุชนมันต้องเป็นอย่างนั้นดัง น, นั้นคนเราทุกคนต้องรู้จักหน้าที่การงานของคน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 ตาเทพหนูเทพสมัยครา้งพระพุทธเจ้าท่านสอนกันนิดเดียวก็เข้าใจเพราะคนมันมีปัญญาพอที่จะเอาไปใส่ได้แต่คนใดที่ไม่มีปัญญาก็ต้องฟังหลายครั้งหลายหนคนใดมีปัญญาฟังครั้งเดียวหรือสองครั้งก็เข้าใจได้ดังนั้นคําว่าเหมือนกันเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านสอนเอาไว้ว่าสัตวทั้งหลาย เราผู้เป็นทถาคตไปถึงแล้วแห่ง น, นั้นแล้วจึงนํามาสอนพวกเธอทั้งหลายให้พวกเธอทั้งหลายจงประพฤติปฏิบัติตามอย่างเราทศกัณฐ์นี้ก็จะรู้จะเห็นจะเป็นจะมีอย่างเราทศกัณฐ์นี้่ันสอนแต่เรื่องศาสนานั้นมันมีมาก่อนพระพุทธเจ้าอย่างที่าศาสนาพรามศาสนาฮินดูเป็นาศาสนาดึกดำบรรพ สอนให้คนรู้จักดีแลน ะ, ะรู้จักขั่วและชั่วทำดีแต่ยังไม่รู้ถึงวัดที่เป็นโลกทุกเรื่นเงเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านวดทุกสมุทยัยนิโรธมักเรียกว่าอริยตสติทุกต้องกำหนดรู้สมุทัย้องละมักต้องเจริญนิโรธทำให้แจ้งเราพูดกันได้อย่างนั้น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 มันไม่ได้เกี่ยวข้องกับอะไรทั้งหมดศึกษาตัวเองให้เรารู้ตัวเองจริงๆถ้าหากเราไม่รู้ตัวเองเราเราจะไม่รู้โลกลจะไม่รู้ภูมิคาว่าโลกนี่โลกคือดินฟ้าอากาศพูดโลกคือมูสัตว์มูสัตว์ก็คือคนนั่นนีเองเดี๋ยวสัตมนุษย์สัดว์ในสารมันมีประเภทอย่างไนวันนี้ เราไม่เข้าใจโดยสัตว์เรจะไปมองเห็นตั้งแต่สัตวสี่เท้าสองเท้าสัดเอกสารอันนั้นสอนไม่ได้สอนไม่ได้เพราะมันไม่รู้จักดีชั่วแม้แต่จะสอนมันได้ก็เพียงขณะเดียวเท่านั้นเองอย่างตัวฟางเนี่ยบ้านหลวงพ่อเขามีตามกันบางคนสอนนั่นไปลากไม้เอาเครื่องหนักหนักไปให้มันมปลอดภัยเรื่อยๆไปแต่จะให้มันทําอย่างที่มัน ดูจิตดูใจเขามันสอนให้ได้อย่างวัวควายก็เช่นเดียวกันสอนไถลนาคาดนาบ้านหลวงพ่อทํานาสอนได้แต่เสียงแค่นั้นกว่าตายหัวหรือยังไงสอนมันได้แต่จะสอนให้ดูจิตดูใจเธอที่สอนไม่ได้แม้สุนัขโคเช่นเดียวกันแต่มันอยู่กับคนแต่สอนมันเรียกมันมาได้ไล่มันนี้ไปได้จรินอย่างนั้นจะบอกคนเนี่ยมันควรศึกษาให้รู้ ให้รู้จักหน้าที่ของคนจริงๆถ้าหากไม่รู้จักหน้าที่ของเราแล้วเราเป็นสัตว์เราไม่รู้ว่าเราเป็นสัตว์อย่างที่เราเคยพูดกันนะนี่ผมนละอายแก่ใจแกยโอตประโวมเกงกลัวตัวบางอันนี้หลักสูตรผู้ที่เคยบวทเรียนเขียนอ่านนักธรรมสันตีแต่ษฐหลวงพ่อไม่ได้เรียนเพราะเขียนหนงือได้เป็นอ่านหนังสือไม่ได้ก็เพียงแต่ คูบาอาจารย์เราให้ฟังก็ต้องจดจำนำมาเล่าสู้เพื่อนมนุษย์ด้วยกันฟังดังนั้นคาว่าฮีลิผมลอายแก่ใจเนี่ยคนใดทำพูดคิดไม่มีผมละอายแก่ใจเรา จ, จะว่ายังไงมันก็เหมือนกับสัตว์เดรัจฉานนั่นเองสัตว์เดรัจฉานมันทำมันพูดมันคิดมันไม่ละอายเลยโอตาปาความเกรงกลัวเนี่ย การทาการพูดการคิดไม่เกรงกลัวต่อความผิดพลาดไม่เกรงกลัวต่อคนใดมันก็เหมือนกับสติรัศมีนั่นเองแต่แค่งขาหน้าตามือเท้าเหมือนขันดังนั้นนักปราชญ์หรือบัณฑิตท่านผู้รู้กล่าวเอาไรวะคนใดไม่มีกมละอายต่อการทาการพูดการคิดท่านว่าลายเหมือนกับสติรัสาีนั่นเอง เส้นสามีภรรยาอยู่ด้วยกันเนี่ยบางทีซกต่อยกันเนี่ยหลวงพ่อเคยได้ยินแต่บ้านหลวงพ่อทางนี้จะพูดอย่างไงไม่ทราบอย่ามายุ่งนะลูกตัวเองก็เคยพูดอย่างนี้อย่ามายุ่งนะกูใจใหนะ้นะนี่ก็รู้จักอยู่แล้วใจหครทำไมยังไม่เทิ้งเอาไว้ทําไมอันนั้นพูดได้ไม่รู้จักเดี๋ยวเตะนะตีนะเดี๋ยวเบื้องท่อกําปั้นพ่อแม่มือเดี๋ยวท่อเสียงหิ้วหอยเข้ามาแล้ว เดียวเบิ้งหน้ากันไม่ไม่เห็นเนี่ยอันนี้แหละแสดงว่าไม่มีความละอายลายเท่ากับสัตว์เลี้ยงสัตทีเดียวสัตว์เลี้ยงสัตเจ้าของเอาเข้าให้กินทุกวันบางทีมันคิดไม่ไดี ก, กัดเจ้าของก็นีคนเนี่ยมันไม่รู้จักหน้าที่ของมันจะถือว่าคนไหมคนไม่รู้จักหน้าที่กับเขาเรียกว่าสัตว์เลี้ยงสัตหน้าตาแทนงขามือเท้าก็เป็นคนคนจริงดังนั้นมาที่นี่ที่เรามาพบกันวันนี้ก็ต้องพยายามพูดให้คนรู้จักหน้าที่ของคน ให้รู้จั ก, จกคําว่าโลกโลกหมายถึงขว่มแสบเห็ดแสบเห็ดที่ตรงไหนอย่างที่พูดแล้วเมื่อกี้มอไม่เห็นลูกก็ไม่ถือว่าลูกตัวเองภรรยาสามีก็ไม่เคยว่าเป็นภรรยาสามีตัวเองแต่เมื่อมันเป็นโลกขึ้นมาจริงๆแล้วโลกสนิดนี้แหละมันร้ายกาจที่สุดแล้วก็มีในสัตว์มีในคนแต่มันไม่มีในคนแต่บางนิดมันไม่มีในสัตว์ ทำไมจิงมันไม่มีในคน เ, เราทํำไมันไม่ได้สิ่งที่เราทําได้มันมีสิ่งที่เราทําไม่ได้เดี๋เรียกว่ามันไม่นี้ในขณะที่เราอยู่เดียวเนี่ย อ, อยากโกรธนะโกดลองดูที่นี้โกดไม่เป็นมาจันเดียกับไม่โกดโกดไม่เป็นเนี่ยเพราะมันไม่มีในเราเอาบัานี้ทําความรู้สึกตัวเนี่ยทา <Xue> กํามือรู้สึกรู้สึกตัวได้แสดงว่าสิ่งที่มันมีกับเราเนี่ยเราไม่สนใจเราไปสนใจสิ่งที่ไม่มีในเรา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 เนี่ยถ้าเราทำเหมือนกันพระพุทธเจ้าจริงๆแล้วก็ต้องเห็นต้องเป็นต้องมีเหมือนกันกับพระพุทธเจ้าดังนั้นคนจึงไม่มีตาทิย์เมื่อคนใดมีตาทิย์ก็ต้องมองเห็นอย่างที่พระพุทธเจ้าเห็นดังนั้นการเจริญสติหรือทําคมรู้สึกตัวในจึงมีค่ามากที่สุดจะเอาเงินไปซื้อไม่ได้จะรักษาศินให้มันเป็นยังไงก็ไม่ได้จะไปทําคามสงบให้มนเป็นยังก็ไม่ได้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 พอดีเป็นถ้ามาเป็นรูมันมืดมาอย่างนั้นอยู่ตลอดเวลาแต่คนที่เข้าไปในถ้านั่นนะแต่รู้จักว่าถ้ามันมืดแต่คนที่สลาดนะ่ะจุดไฟขึ้นความมืดมันหายไปทันทีแต่คนที่ยังไม่สลาดนี่ะอยู่ในถ้าไปทางไหนก็ไม่รู้ก็อยู่ที่มืดนั่นเองเปรียบเทียบให้ฟังเป็นเรื่องสมมุติเปรียบเทียบให้ฟังถ้าเราอยู่ในถ้านะ ถ้าเราจุดไฟขึ้นควสว่างมีขึ้นมาเอาไฟมาไว้ข้างหน้าน่มืดมามาข้างหลังถ้าเอาไฟมาข้างหลังมืดมามาข้างหน้าเอาไฟมาข้างซ้ายมืดมาข้างขวเอาไฟมาข้างขวมืดมามาข้างซ้ายพราะควงมืดมันอยู่ที่ที่ศอกเราที่ที่นี่เนี่ยที่ตัวเรานี่แหละวันนี้ไฟมันจับอยู่ข้างนึงไฟมันอยู่แต่ผวมืดมันลงมาอยู่ข้างหลังบัดนี้เมื่อเรารู้จักว่านี่มันเป็นถําที่มันมืดมิดแล้ว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 ไม่สนใจฟังตั้งหลายคำก็ไม่เข้าใจก็เลยอยู่ในธรรมนั่นเองคนก็ไปติดตํารากว่าคายคลายใจติดดีกว่าคายคลายใจคนติดสุขกว่าคายคลายใจดังนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนว่าให้รู้ให้เห็นให้เป็นให้มีเหมือนกันกับพุทธเจ้ารู้อะไรเห็นอะไรเป็นยังไงอันนี้คาดคิดเอาไม่ได้ ฟังแล้วจะไปจำเอาคำพูดของคนอื่นไปพูดไม่ได้วิธีที่พระพิจ้าท่านสอนที่สุด ข, ของพกุกต้องเห็นที่สุด ข, ของพกุกนี่ว่าไปถึงแล้วแห่งนั้นแห่งนั้นคือคือไปถึงเรื่องชีวิตเรื่องจิตใจชีวิตของทุกคนมันมีอยู่ที่นี้อยู่ที่คนนั่นแหละไม่ได้เดินไปที่ไหนแหละนี่ว่า้าพระพุทธเจ้าตัสรู้เพราะการทาทางจิตทางใจ เรียกว่าพระพุทธเจ้าบำเพ็ญทางจิตทางใจการทําสมถะกรรมฐานทํามาแล้วจนได้สมาบัติแอันนั้นก็เป็นเพียงสงบหรือซาอนก่อนนะานซานแต่ว่าเขาไปรู้แต่ว่าซานพวกเรามันไม่เป็นอย่างนั้นซานของพวกเราต้องเข้าไปสงบคําว่าสงบกับรู้มันมีคําเดียวกันสงบกับคําเดียวกันนั้นรู้กับคาเดียวกันนั้น แต่เราไม่รู้จักคําว่าสงบนี่ก็หมายถึงการเห็นแจ้งการรู้จริงรู้แล้วไม่งอแง้งคอนแคนให้จะพูดเรื่องอะไรก็เรื่องของคนที่ไม่รู้ก็ต้องพูดไปอย่างนั้นเราก็เจ้าสงบได้เราไม่ไปสนใจกับคนที่ไม่รู้คนที่ไม่รู้เนี่ยมันจะพูดไปยังไงมันก็พูดเพราะมันไม่มีความละอายคนที่พูดไม่ถูกล่ะไม่ถูกไม่ตรงนะจะถือว่าคนนั้นเป็นมีความละอายไหมมันไม่ละอาย มันไม่ละอายมันจึงพูดได้อย่างนี้นี่ผมละอ า, มมาอายแก่ใจมันไม่ละอายแก่ใจมันโดตรามประความเกงกลัวตัวบักมันไม่คิดว่าคนอยู่ที่นั้นจะมีคนรู้เหมือนเราหรือจะรู้กว่าเรามันไม่ได้คิดเลยมันจึงไม่กลัวกับผมอันนี้แหละที่ว่าโลกโลกมันต้องเป็นอย่างนี้สับสนวุ่นวายเลือดร้อนเนี่ยเป็ น, นแก่คนนั่นบางคนอย่างที่หลวงพ่อพูดคนอาจจะรู้ดีกวา่าหลวงพ่อก็มีที่นี่หรือจะไม่เหมือนหลวงพ่อก็มี หรือจะไม่เท่าหลวงพว่อเขามเราต้องรู้รู้สิ่งที่เรารู้เนาะพูดสิ่งที่เรารู้นั่นแหละอย่าไปพูดสิ่งที่เราไม่รู้พูดสิ่งที่เราไม่รู้บางคนเกิดมีความสนใจท่านทำได้ไหมแล้วจะว่าอย่างไงเราทําไม่ได้แล้วก็ทําไม่ได้ทำไมได้ทำามาสอนทําไมมันก็พิดที่นี่ครันี่ว่าพูดพูดอุตตริมนุษย์หาธรรมคือทําอันยิ่งของมนุษย์ที่ไม่มีในตนขาดจากคมเป็นภิกษุภิกษุแปลผู้เห็นไถ่ ดังนั้นจังหวนู้เห็นเป็นมีเข้าใจแล้วก็พูดได้พูดได้ถ้าไมพูดให้คนฟังคนมาสนใจก็ต้องสอนเขาได้วิธีที่อาตมาพูดเรี่ยงนี้นี่นะอาตมาก้ายืนยันรับรองว่าในตำราเขาพูดเอาไว้พูดที่ทำสติปาัาสีหรือจเจริญสติปาัาสีให้ติดต่อกันเหมือนลูกโซ่ อย่างนาน๗ปีอย่างต่าง๗เดือนอย่างเร็วที่สุดนับตั้งแต่ห น, น, น, นึ่งวันถึงเจ็ดวันอานิสงไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดเลยคำว่านหนึงเป็นพระอรหันต์ในปัจจุบันพวกนี้ถ้าหากไม่ได้เป็นพระอรหันต์ในปัจจุบันพวกนี้ต้องเป็นพระอนาคามีแน่นอนที่สุดพระอนาคามีนะั้นจะได้มาเกิดในมนุษย์อีกชาติ น, น, นึงแน่นอนนะแล้วก็จะได้ไปเกิดใน ลูปปะสจะมีผมในอรม ป, ป์ขผมผมไม่มีลูกแล้วก็จะได้ตัดสรู้ที่นันน่ะที่เมืองคมนั่นแหละเป็นพระอรหันต์ไปนิพพานเลยอันนั้นมันไกลนะอาตมาก็จะมันไกลคำว่าผมนี่ก็เราไม่ได้เข้าใจผมนี่ก็หมายถึงผมวิหารนั่นเองมีเมตตากรุณาุทตตาเปกขาเมืองคมอันนี้ดังนั้นคนจึงศึกษาให้รู้จักแล้วก็ทุกคนมีชีวิตมีจิตมีใจเหมือนกัน ถ้าเราคิดเห็นอย่างโอ้คนไม่รู้เมื่อมันไม่รู้เราจะทายังไงกับมันมันจึงจะรู้เราก็ต้องพูดให้มันฟังเมื่อมันสนใจจริงๆมันก็ต้องรู้เมื่อมันไม่สนใจมันก็ต้องไม่รู้คนทุกคนต้องการแต่ไม่รู้ทำไมจะไปจิตเอาเพียงแค่คนสงบความสงบแบบนั้นมันไม่สงบแต่คนคุกมันยังมีโลกพูดให้หวังมันยังมีโลกโลกอะไรคือโลกโมหะ โมหะมันควบคุมไว้มันจึงหนีจากโมหะไม่ได้มันก็อยู่ในทํานนั้นเองเมื่อโมหะมีอยู่แล้วโลภะมันก็ต้องมีอยู่ที่นั้นเมื่อมีโลภะแล้วโทสะมันก็ต้องมีอยู่ที่นั้นคนได้ละเลิกเลื่อนลดลงหรือห น, นีจากโมหะโทสะโลภะไม่ได้คนนั้นก็เป็นโลก ป, ประจับเป็นโรก ป, ประจัมชีวิตเมื่จะมีเงินจากหมื่นล้านแสนล้านก็ยังเป็นโลกอยู่นั่นเอง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 เพะไม่ได้กับผลไม้อื่นดังนั้นจึงว่าทําให้มันเป็นจริงๆถ้าพระพุทธเจ้าท่านสอนคนสอนโดยละเอียดและอ่อนที่สุดคาว่าละเอียดละอ่อนในทางนี้เข้าใจนะว่าว่าอย่า ง, งานั้นละเอียดและอ่อนว่าละเอียดและอ่อนเหมืกันเนี่ยเออสอนอย่างปานิษฐ์คำว่าปานิษฐ์เนี่ยเมื่อเราสอนอย่างปานิษฐ์ก็ทําอย่างปานิษฐมันก็ได้ของอย่างปานิษฐขึ้นมา สอนละเอียดมันก็ได้ของละเอียดขึ้นมาสอนหยาบหยาบมันได้ของหยาบหยาบขึ้นมาเหมือนกันดังนั้นพระพุทธเจ้าท่านสอนในเรื่องปัญีสอนเรื่องจิตเรื่องใจดิมองไม่เห็นเนี่ยบางทีมันคิดเราไม่รู้เลยคิดแล้วเราก็ไปตามมันเนี่ยเราไม่ได้ควนกระแสของกลมคิดเมื่อมันคิดเราไม่เห็นเราไม่รู้มันก็เลยถูกปิดไว้มันก็เผยตัวมันไม่ ไ, มได้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 ที่มันว่าจุกมันว่าเองนั้นไม่มีคนใดจะพูดให้มันมันพูดเองมันถ้ามันชอบใจมันก็ว่าขอบใจถ้ามันไม่ชอบใจมันก็ไม่ชอบใจทั้งชอบใจและไม่ชอบใจได้เป็นโลกทั้งหมดเลยที่ไม่ชอบใจมันโลกโลกสนิดมันแสบเห็ดเรียกว่ามืดสีดำหเพราะว่ามืดสีดําก็เด็มืดสีขาวที่มันชอบใจเดี่ยโลกคนนั้นเรี่า โลกที่เรือลังโลกเรือนลังไม่รู้จักว่าเราเป็นโลกชนิดหนึ่งอยู่ในตัวเราเราไม่รู้มันเลยนานๆขึ้นมามันก็ทําให้เราเดือดร้อนได้โลกชนิดดีใจนี่สําคัญดีใจเ ร, เราเรียกว่ายังไงภาษาแบบปฏยวัตโลภะเยโลภะจะเกิดขึ้นมาได้เพราะเรื่องอะไรเพราะเราไม่รู้อันไม่รู้นั่นแหละจะว่ายังไงกับข้อโมหะโมหะก็แปลว่าไม่รู้ ถ้าเราปราศจากโมหะเราจะว่าอย่างก็บวรู้สิบตัวอันความรู้สึกตัวจึงมีความากที่สุดและประณีตที่สุดไม่ใช่รู้อย่างไปอย่างมาอย่างเนี้ยอันนี้มันรู้หยาบหยาบอย่างเช่เราจะรู้ละเอียดปามเนตรลงไปคือเราคิดตามทดลองรู้ตมมือคิดมือรู้สึกตัวไปความรู้สึกอันนี้คนอื่นจะรู้กับเราไม่ได้ยังว่าความผิด เรียกความถูกต้องคนอื่นจะรู้ก้อนเราไม่ได้จะรู้เหมือนเราก็ไม่ได้แต่รู้เหมือนกันแต่ว่าคําพูดเข้าใจกนในเด็ดรู้เหมือนกันดังนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนว่าทัศทั้งหลายคือเราตถาคตเมื่อยังไม่รู้ก็ต้องเจาะแสวงหาหาคนทุกนี่เองเมื่อพระองค์รู้แล้วพระองค์ก็เลยว่าให้ทําอย่างพระองค์ให้มีสติรู้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 หายใจมันเคลื่อนไหวอย่างนี้ความคิดมันเนี่ยมันเคลื่อนไหวอ ย, อยู่อย่างนั้นตลอดเวลาแต่คนเราไม่ได้สนใจเรื่องความคิดอันความคิดเนี่ยมันเป็นอันตรายร้ายกาจที่สุดเราซกต่อยกันกันกบพวกความคิดนี้เองนึกว่าเราจะชนะเขาจริงๆพอดะซกเข้าไปชนะเขาไม่ได้แพ้มาเเป็นยังไงดังนั้นนักมวยจะมาเคยเปรี่ยนนักมวยที่จริงจริงจเขาไม่ต้องไหว้คุก ขึ้นในเวทีต้องซกทันทีซกทิดตรงไหนซกหลุมตาซกหลุมตาทั้งสองตาแล้วมันต้องเจ็บตาได้เจ็บมากที่สุดเจ็บเหนือทุกสิ่งทุกอย่างนะพอได้ซกหลุมตาได้มื่นตาไม่ได้เลยอนักมวยเก่งก็ต้องเหมือนกันในว่าดูคมคิดพอได้บางิดเราเห็นเรารู้เราเข้าใจคมคิดก็เลยถูกอยู่คงไปไม่ได้วันนี้เมื่อเราไปดูคมคิดนเนี่ยมันก็ไหลไปเลย ไหว้ครูไปแล้วแบบนี้เราต้องถอนตัวออกมาอยู่กับความรู้สึกเพราะความรู้สึกอันนี้เราทําได้ควมคิดเราทําไม่ได้มันไม่มีตัวไม่มีตนพระพุทธเจ้าถึงว่าเราตถาคตไปถึงแล้วแห่งนั้นพระพุทธเจ้าไปถึงที่สุดของทุกนี้เองเมื่อถึงที่สุดของทุกเริ่มเหมือนกับที่เราสละอะไรที่ออกจากตัวเราแล้วเราก็เลยพูดว่าพระพุทธเจ้าได้สร้างสมอบรม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 คำว่าพระพรุทธเจ้าตัดผมข้างเดียวเนี่ยไม่ใช่ตัดผมศีรษะมันเป็นกฎของธรรมศาสตร์นะเมื่อถึงที่สุดแล้วมันจะเข้าสู่สภาพของมันเมื่อนันเข้าสู่สภาพของมันแล้วเมืออาตมาก็เคยพูดให้ฟังมีเสื้อในร่อนผูกเสาเท่นั้นผูกเสาตัดดึงตัดตรงเก่าทุมันจะสะท้อนออกจากกันมามาติดเสาได้ตามเดิมขณะนั้นมันก็จะคืนไปติดเท่านาต่ำเดิมดังนั้นความคิดมันจึงจะไปไม่ได้มาไม่ได้ มันจะเข้าสู่สภาพของมันเมื่อมันเข้าสู่สภาพของมันแล้วมันออกมาไม่ได้อันนั้นเป็นของจริงเดี๋ยวงช่ไเราไปเข้าใจว่าตัดผมครั้งเดียวไม่ได้อะ <c oughs> เพียงดูความคิดนี่แหละ <c oughs> เพียงความเคลื่อนไหวนี่แหละมันเป็นเองควมเป็นเองมันมีอยู่แล้วพร้อมแล้วที่จะปรากฏให้คนทุกคนได้แต่เราไม่เข้าใจเราไปติดความสงบไปติดความสงบนั่นกเลยไม่ได้รู้เราเป็นนั่งอย่าง พอดีนั่งไปที่ก็ไม่เห็นคนก็สมมติจริงบางทีมีของไม่ที่ตรงหน้าเราผู้รายมาเอาของเราไปเราก็ไม่เห็นเดือดร้อนแล้วนี่ถ้าเรามีปัญญาพูดให้ฟังเพียงเล็กน้อยเข้าใจสมมุติเราบ้านเราบ้านหลวงพ่อมีงัวมีควายวัวควายไม่ใช่งวควายว่าตามตัวหนังสือเพื่อนเพื่อนร้อยฟังวัวควายบ้านหลวงพ่อเรียกว่างัวควายถ้าไปเลี้ยงงวเรื่องควายเนี่ย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 มันไม่มีโอต ป, ปะปว่าคนอาจจะรู้ดีกว่าเรามันไม่ได้คำนวณเลยทื่ว่าทิ่นี่ผมละาอายกใจโอตระปาพร้อมเมกรงกลัวตบากกรรมพอไปสอนคนให้หลงผิดมันก็มีบาปมีกรรมมากท่านว่า้หน้าที่ของทุกคนจะเดินไปถึงจุดนั้นได้ทำไมไปหักห้ามไม่ให้เขาเดินไปได้เพราะเรื่องอะไรก็เพราะเขาไม่รู้นั่นเองจะโทษเขาไม่ได้ดังนั้นจะเป็นเลือกภูอาจารย์เลือกไมาได้ต่อเมื่อเราไม่รู้ต่อเมื่อเรารู้แล้ว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 เรื่องนรกก็าตามเรื่องสัต ว, ว์เีร่านก็ตามที่นำมาพูดให้ฟังมันมีอยู่ที่เรามีอยู่ในทุกคนเนี่ยทุกคนมียกเว้นไม่ได้ถ้าศึกษาให้ทุกอยและทุกคนต้องรู้ปิดบังไม่ได้